เข้าไปก็เอามาดูทั้งหมดนั่นแหละมันมีกี่ชิ้นเขียนบอกว่าต่อไปข้าจะไม่กลับมาเฝ้าเองอีกพูดกับเขาอย่างเงี้ยบ่อยๆเห็นลูกก็จะไม่เฝ้าลูกอีกแล้วใช่ไหมจะไม่กลับมาเฝ้าจะไม่กลับมาอะไรเอาวอนอีกแล้วต่อไปจะสละให้หมดได้ไหมฝึกสละทางใจก่อนใช่ไหม เพราะจะทำอโลพาทานให้เกิดขึ้นกับวัตถุทุกชิ้นใช่ไหมเป้าหมายคืออย่างนั้นเพราะอะไรที่เราจะไม่มองเป็นวัตถุกรรมอีกแล้วมันให้ความเจ็บปวดแต่เราจะมองให้เป็นวัตถุทานก็คือจะต้องสละใช่ไหมเอาในร่างกายเรายังต้องสละทิ้งหมดทุกชิ้นั้มสละทุกทิ้งตอนเช้าก็ไปสละออกไปสละออก <c oughs> ใช่มเราต้องสละไห ต้องสละออกอืมฉะนั้นเราต้องสละอยู่แล้วจริงๆไงในเนี้ยเราสละทิ้งอยู่ตลอดก็เขามันต้องทิ้งตลอดไหมออความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ทิ้งไปหมดแล้วความเป็นเด็กทิ้งไปหมดตอนนั้นทิ้งแบบไม่ได้ตั้งใจทิ้งเนี่ยนะ <c oughs> แต่นี้น้อมสละทิ้งซะจริงๆเถอะจะได้เป็นอัจฉติกะทานสละก่อนที่มันจะหนีเราก่อนได้ไหมนก็รีบสละเสะียปรงใจสละให้หมดใช่ไหม บงใจสลาเสียอย่างเงี้ยถ้าเราทำอโลภาทานนั้นให้แข็งแรงเห็นไหมเจตนาทานวัตถุทานอโลภาทานเนี่ยอโลภาทานเนี่ยอโลภาต์เนี่ยทำตัวนี้ให้แข็งแรงส่วนกรณีอย่างเงี้ยผิวพันธุ์แล้วก็ร่างกายจะเปล่งปลั่งนะศรัทธาทานเนี่ยนะมั่งขั่งโดยทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้แล้วสักกาทานก็คือว่าเนี่ยบริจาคทานด้วยความเคารพทั้งการทาตนเองและทายาททำให้สะอาดหมดจดนะ น, นะ ตรงเนี้ยก็ทําให้หมดจดแล้วก็ด้วยความเคารพเนี่ยเพราะเป็นมีศรัทธาเนี่ยแหละเป็นประธานเนี่ยนะนี่ให้ผลมากมายนะบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรเชื่อฟังคําด้วยเอาใจใส่ไม่ได้ขัดใจว่างั้นในการงานทุกอย่างโอ้โหดีจังนะแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีสักการะทานเนี่ยนะไม่เคารพฉะนั้นตอนาให้ทานแล้วก็ต้องเคารพถ้า ถ้าโทสะเกิดขึ้นเคารพไห ม, ไมไโลภะเกิดขึ้นเคารพไหมโมหะก็ไม่เคารบทิฏฐิมานะเนี่ยถีนมิธาเนี่ยมไม่เคารบในทานทั้งนั้นนะอุทธจารเกิดขึ้นก็เชื่อไม่เคารพในทานนะมันฟุง้งอย่างนี้นะโดยเฉพาะทิฏฐิละมานะเกิดขึ้นต้องระวังนี่วนี้การทานนี่ก็คือว่าให้เหมาะสมแก่การนั้นๆผลทานเหล่านี้นอกจากจะบริบูรณ์ด้วยหประการนะคูณ5นั้นยังไม่พอนะอายุวันนาสุขาพราชนะ ก็ได้รุ่งเรืองตั้งแต่ปฐมวัยมาชิมมะไวและปัดฉิมมะวัวนะฉะนั้นก็ลาให้ทานก็ให้ให้ถูกนะต่อไปยอมพิจยาต้องพิจารณาดูเลยนะน้องดยการละทานให้เหมาะนะตรงเนี้นะอนุขยิตาทานก็คือว่าบริจาคทานโดยการสละอย่างแท้จริงตรงนี้ทั้งนี้ยอมยิงยานจะพูดบ่อยใช่ไหมพูดในกรณีว่าว่าสละแบบไม่ยึดติดใช่ไหม เพต้อตงการสละให้หมดเนี่ยสละไม่มีการยึดติดในเยื่อใย ห, หรือห่วงใยในวัตถุสิ่งของแล้วก็ไม่ยึดติดว่าหวังผลในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมถ้าหวังในกรณีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอธิษฐานจิตจเจริญจิต ต, จ ต, ตั้งจิตไปในทางที่ต่ำนะฮะบอกว่าอธิษฐานจิตตั้งจิตเจริญจิตไปในทางที่ต่ำแม่เมื่อวานได้ว่าไปแล้วในทีคัติกายก็บอกไว้ ในทีขัิกายก็บอกไว้นะ่ยคือจริงๆในหลักเนี่ยนะถ้าในอัฏฐทานวัตถุเนี่ยเหตุเนี่ยนะวัตถุแปลว่าเหตุเป็นกัลยาณ์เนี่ยนะเหตุเหตุแห่งการให้ทานแปดอย่างเนี่ยอาสัจฉทานัางเทติเนี่ยให้ทานเพราะประสบเข้าประสบเข้าประสบเป็ไงดีกันลังนั่งๆั่งอยู่ดีๆ เอาเพื่อนมาซะแล้วไม่ให้ก็ไม่ได้เ อ, เอาให้เลย <c oughs> นี่ประสบทันทีใช่ไหะใช่ไหมไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยมาทํำท่าจะล้างหน้าพาเมายืนหน้าบ้านซะแลยวอ้อมไีประสบเนี่นนะแล้วอะไรแกพญาทานนางพญาทานนางเทติให้ทานเพรากลัว <c oughs> มีหลายอย่างนะกลัวเนี่ยบางคนก็กลัวบายเนาะไม่ได้ไม่ได้ไไดพวกก็พูดครูเรื่อย อทาสเบติทานนางเทติให้ทานว่าคิดว่าคือเรารับของเขามาเยอะแล้วให้บ้างให้แบบเนี้เคยไหมเกลียงใจเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ให้บ้างอสติเมติทานนงอันนี้อสอทัสตินะทัสติเนี่ยเ ม, มติทานังเทติให้ทานว่าคิดว่าเนี่ยให้นี้แล้วเขาก็จะได้ให้เรา <c oughs> เคยไหมมีแบบนี้ไหมพอให้อย่างเงี้ยถ้าสมมุตินะเอาเ อ, อเอาละเราจะให้เหรียญเหรียญนี้ไปเนี่ยแต่มันจะได้เงินบริจาคสร้างสมมุติเงี้ยเร่องนีมม้จะจัดได้ไห ม, ไมยู่ที่คนคิดเหมือนกันนะถ้าคิดเป็นจะถ้าคิดคิดไม่เป็นจะเป็นแบบนี้ต้องระวังนะสมมติว่าเออเนี่ยพอดีแล้วเราให้นี้ไปปุ๊บ คนโอ้รับเหรียญราคาแพงมาแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้เด็กก็ให้เนาะให้ทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดีมายากอาสาหุเนะีทานนันติทานานังเทติให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงเองกินกินได้อันนี้ก็ตรงที่เราว่ามาแล้วแล้วเกติศัพย์อันงามเป็นต้นก็ว่าไปตามลําดับตรงนี้ก็คือว่าส่วนอีกข้อหนึ่งที่พูดไงบอกว่าตรงเนี้ย ทานุทานุปติผลที่เกิดจากการให้ทานเออเป็นยังไงผลที่เกิดจากการให้ทานให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะ ห, หรือพรามเขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นอันนี้เป็นตัณหาน่ที่มาจากโสยังเทติตังปัด ป, ปัจจสิสติเนี่ยสิงสเตียบอกว่าให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นใช่ไหเนี่ยอันนี้ก็คือหวังอะไร บางคนก็ให้ทานหวังเป็นกษัตริย์เป็นพระมหาสารเป็นข้าวบดีมหาสารนี่หวังบางท่านก็ให้ทานเพื่อหวังในการได้เกิดในชั้นจาตุมบางท่านก็ให้ทานในการที่หวังเกิดในแขนยามาดุสิตานิมาดอดีปกรณีมิศวสวัตตีบางท่านให้ทานเพราะต้องการจะเกิดเป็นพรหมอันนี้คือเรียกหวังเห็นไหมไกรณีหวังเนี่ยพอหวังเบสเสร็จเนี่ยโสตังจิตตังท่าติตังจิตตังอาทิฐาติตังจิตตังภาเวติมีอะ เขาตั้งจิตนั้นเนี่ยนะเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นแล้วก็เจริญจิตนั้นอยู่ถ้าจิตตั้งพาเวตินันก็เจริญจิตก็แปลว่าโอ้โหทำจิตเหล่านั้นให้เกิดตลอดให้เกิดตลอดทำให้เจริญขึ้นทำให้มากขึ้นหวังไงบางคนก็หวังมนุษย์ใช่ไหมทุกครั้งก็หวังหวังหวังหวังเนี่ยการหวังอย่างเงี้ยมันเลยไปการตั้งจิตอธิษฐานจิตเขาเรียกอธิษฐาน ไอ้ทำจิตให้เจริญอยู่ในเรื่องนั้นน่ะเขาเรียกอธิษฐานบางคนก็ให้แต่ละครั้งก็อธิษฐานอธิษฐานก็คือเจริญจิตอยู่นั่นแหละตั้งจิตอยู่นั่นเองไอ้ตรงเนี้ยแต่กรณีบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานจิตไว้ไว้ในฐานะความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็แยกกันออกไปบางกลุ่มก็เป็นกษัตริย์บางกลุ่มก็เป็นพราหมณ์บางกลุ่มก็เป็นขุหาบดีอันนี้นะเราจะเป็นครูอาจารย์ณกลุ่มพราหมณ์เนี่ยบางคนก็หวังเป็นอาจารย์บางคนก็หวังเป็นเออ เป็นเป็นขณาบดีบางคนก็หวังเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยนะจะอยู่กลุ่มมุมไหนก็ไปเกิดเป็นในตะกลูลกษัตริย์บ้างเป็นตะกูลของขณาบดีบ้างตะกลูลของพราหมบ้างคือกลุ่มนักศึกษาทั้งหลายเลยเกลุ่มผู้ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเนี่ยนะมีเคยหวังแบบนี้ไหมเรายืนอยู่กลุ่มไหนเนี่ยการตั้งจิตการอธิษฐานจิตการเจริญจิตแบบเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานจิตเจริญจิตไปในทางที่ทางที่ไหน เขาตัดสาตังจิตตังฮีเนวิมุตังอุตริอภาวิตังตัตรูปป ป, ปติยาสังวัตติบอกว่าจิตของเขาน้มไปในทางต่ำอันนี้ต่ำนะเนี่ยเจเินให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นแต่นะตันยาโขเนี่ยข้อนั้นแลเนี่ยีลาวโตเนี่ยว่าทามิโนโนทุสทีสโซเนี่ยบอกว่า โนทุทศีรัษะบอกว่าข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลใช่ไหมเพราะการที่จะไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรมเนี่ยต้องศีลบริสุทธิ์ไหมไปเตกุศลศีลไปเตกุศลศีลไม่ใช่กล่าวไว้สำหรับผู้ทุศีล น, นีนะนมโนนินปพิธทานของผู้มีศีลสาเร็จเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดดังกล่าวแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ทำความเข้าใจชัดตรงนี้สยสรุปตรงนี้ประเด็นตรงนี้ก็ในสูตรต่างๆในสูตรเนี้ยฉะนั้นการตั้งจิตอธิษฐานจิตและเจริญจิตสำคัญมากเวลาที่จะทำให้บุพพเจตนามุญจะเจตนาและพระเจตนาเกิดขึ้นนะ่ะก็แปลว่าอันนี้คือคื อ, ค, อคือเป็นเป็นฐาน เป็นเหมือนเดียวใช้คําว่าเป็นโรงงานเนี่ยนีใช่ไหมดอกไม้ดอกเนี้ยแปลว่าทุกคนก็สามารถที่จะมานั่นได้แต่แต่คนที่เริ่มต้นจุดประกายเนี่ยมีส่วนนะอย่าลืมนะอายกตัวอย่างเช่นว่าเอาตรงนี้มาตั้งแล้วทุกคนมีส่วนทําให้บุญตรงนี้เกิดขึ้นนะ่ะเราเนี่ยเป็นเหตุเราเนี่ยเป็นเหตุแล้วนะนะเป็นเหตุทําให้บุญนั้นเจริญเนะี่ยตรงเนี้นะก็มีส่วน มีส่วนในการที่จะทําให้ทุกคนมองมาณที่เนี้บุญกุศลก็เกิดอย่างไงนะนะเขาบอกว่าทุกคนไม่ใช่คิดว่าเอ๊ะตนเองเอาวัตถุทานเหล่านี้มาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเนี่ยบอกว่าห้ามทุกคนมองให้เกิดบุญใช่ไหมแต่กลับมีความปรารถนาว่าขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันมองเพื่อให้เกิดบุญแต่อย่ามานั่งมองตรงนี้แล้วมานั่งหลับนะอะไรเงนะี้ยแล้วต้องการให้เจริญบุญเกิดขึ้น อย่างนี้ดีไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยแปลว่าเอาละเรามีโรงงานที่จะผลิตโอ้โหได้ทั้งสองทางเลยไหมทางทวารตาก็ได้ทางทวารหูก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมทางทวารใจก็ได้เห็นไหมเนี่ยงั้นเรามีช่องทาง ท, างที่จะทําให้เกิดบุญตอนนี้ที่เป็นหลักอยู่ก็คือทางทวารตาทวารหูและมโนทวารอย่างเงี้ยนะก็แปลว่านั่นคือผลิตเจตนาที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้มาก ตรงนี้ก็คือว่านั้นเขาเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานจิตและเจริญจิตก็เจริญจิตพวกไหนแต่เนี้ยก็คือว่ากุศลเนี่ยนะกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา ก, กับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าหากกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากุศลที่ ท, ที่ประกอบด้วยปัญญาเนี้ยในประกอบด้วยอะปัญญาดีในทิฏฐุชุกกรรม เป็นอย่างต่ําในขณะสั่งสมตามที่ได้กล่าวเนะี่ยเขาบอกว่ากุศลที่โดยเชื่อกรรมและผลของกำอ่ะกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะถ้าไม่ประกอบดรร้วยปัญญากุศลที่ทําโดยไม่ประกอบด้วยปัญญาในทิฐิถุชุกรรมก็ตรงนี้ท่านบอกกุศลที่ทําโดยไม่รู้ว่ากรรมและผลของกรรมมันชื่อว่ากุศลที่ไม่ประกอบดรร้วยปัญญามีท่านแยกอย่างนี้นะทีนี้ กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะที่มีเหตุสามที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีเหตุสองใช่ไหมถ้าประกอบด้วยปัญญาก็มีความไม่โลภมีความไม่โกรธแล้วก็มีมีปัญญามีปัญญาอยู่ด้วยในขณะนั้นฉะนั้นถ้าในชั้นของทานในท่านขับเน้นกรรมและผลของกรรมทีนี้ถ้าขับเน้นกรรมและผลของกรรมแล้วก็มาไข่ควรพิจารณาดูทีว่าอย่างที่พระาศาสดาตรัสบอกว่าถ้าใครรู้ผลของทานเนี่ย อย่างที่ตถาคตรู้เนะี่ยที่จะไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นจะไม่มีนะไม่มีเลยอันนี้แปลว่ารู้ผลของกรรมมีผลมากมีอนิสงส์มากเนะ่ยผลของทานกุศลผลขนาดไหนสูงสุดเป็นอุปนิสยาปั จ, จัยเนะี่ยเป็นอุปธรรมนุนามักต่ำสามผลต่ำสามไม่เกิดขึ้นได้เงี้ยที่ท่านกล่าวไว้ในสูตรต่างๆที่ท่านยกมากล่าวไว้ในด้านของธรรมที่ทานกุศลอนุญาตให้เกิดขึ้นนั่นแหละอันตรงนั้นนะนะ ทีนี้พอดูจากตรงนี้ก่อนกลับย้อนมาดูตรงนี้ว่าให้ให้ครบเส้นเนี่ยเขาบอกว่าสักกัจจักทานเนี่ยฆ่าธาตุบริวารทั้งหลายย่อมเชื่อถ้อยฟังคำเอาอกใจไม่ขัดใจเนี่ยนะอันนี้ให้ด้วยความเคารพก่อนนะถ้าการละทานเป็นยังไงพวกบริจากทานเหมาะแก่การเวลานั้นๆผลของทานชนิดนั้นเกิดขึ้นในภพต่อๆไปมีรั์มาก พังพร้อมด้วยอารมณ์ต่างๆอย่างมหาศาลเริ่มเจริญตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นนะบางคนนี่นะตอนปฐมวัยลําบากมากบางคนก็ โ, โหพอมัดชิมวัยก็ลําบากอย่างเงี้ยนะบางคนก็ปัดฉิมวัยก็ลําบากอันนี้เนี่ยขาดการลาทานนี่แหละขาดตรงนี้นี่แหละนะนั้นถ้าใครบุญเก่าดีก็ ไม่ต้องไม่ต้องขยับเนื้อขยับตัวเยอะอะไรนะก็ก็นั่นแหละพวกโทรศัแวดล้อมเยอะพวกนี้โทรศัแวดล้อมเยอะโอ้โหนี่นะให้ทานแต่ละทีก็ต้องมีการทะเลาะกันก่อนมีการอุทิศแทบจะลบจะลากันเลยนะจะมีนะบางบ้านเนี่ยนะเน่ยไหม ให้กันขนาดนั้นเลยใช่ไหมพอให้กันแล้วกลับมาก็มาทะเลาะ ก, กันไอ้ใครนะพูดไอ้ปากมามอ้ผูขานี่เป็นเรื่องจริงนะที่เขาทะเลาะ ก, กันเ น, นี่ยก็ในพอให้ทานเนี่ยนะพอให้ทานเบ็เสร็จก็เออแล้วก็กลับไปก็ในยุคก่อนเนี่ยเขาจะถวายไอ้ปัจจัยพระใช่ไหมถวายปัจจัยพระทีนี้ก็ ไม่ในะยุคก่อนๆด้วยมากเขาก็จะนั่นทีนี่ว่าพอไปทำเบ็ดเสร็จเนี่ยเออนิมนต์พระไปเรื่องชั้นเพลานี่แหละอาหารก็ทําไม่เสร็จก็เลยเอาให้พระท่านสวดท่านอะไรไปก่อนก่อนก็สวดกันปะสวดสวดสว ด, สว ด, สวดที้ก็เลยกระทั่งไปสามี ก, ก็รีบไปดีครัวครัวมันก็ใกล้ๆ ด, ดีพระก็สวดกัดนเนอะก็ถามว่าเล่งเข้าไวๆแล้วพระเวลาก็เกินแล้วเลยไปไปมันก็เริ่มขัดแย้งกันเลยนะเคียง เขาบอกนี่ก็เล่นอยู่นนี่มันไม่สุกไม่แล้วก็แลเข้าเล่นจนจะเนี่ยจนตั้งห้าโมงครึ่งแล้วมันจะเลยเวลาเพยลยนผลปรากฏมันก็ไม่เสร็จลกลับไปโอ้โหแต่เริ่มหน้าดำตาแดงแล้วนี่เข้าไปก็ตะค อ, อกบอกว่าทำไมทำช้าจังโอ้โหเดี๋ยวนี้ท่าพงท่าพีร่วงหมดแล้ว โคลงออกมาว่าไอ้มันจะมันจะกินไปได้ไงแต่ใช้คำหยาบหยาบเนียตะโกนออกมาตะโกนออกมาแล้วเสียงพระเงียบกันหมดเลยเขาบอกมันจะกินไปได้ยังไงก็มันไม่โศกก็ดูที่ตาบอดไงอะไรเงี้ยเนี่ยสักพักหนึ่งพระก็บอกเลยถ้างั้นกลับก่อนแล้วพระเดินลงบ้านกันหมดเลยไม่อยู่แล้วโหแต่นี่ที่บ้านนั้นเล่นกันโคลมเลย เห็นไหมเนี <difícil> <ại> ่ยพระเพราะหนีหมดแล้วเร็วไปกันอย่าดิทะเลาะกันบ้านพังเลยดิเนี่ยสงสัยเป็นอย่างไงโยมเมื่อกี้เมื่อกี้ยอมถามใช่ไหมเนี่ยพอจะให้ทานก็ให้ไปแล้วนะเนี่ยมีการให้ข้าวให้ให้ของบางอย่างเลยถวายน้ำปลาหน้าถวายอะไเบ็ดเสร็จก่อนเนี่ยนะแต่ไม่ทันได้ถวายแล้ต้องรีบหนีก่อนไม่ไหวสงครามลงน้าสงครามคงจะเป็นเหตุแบบนี้นะ อันนี้ก็เลยว่าเออเลยเอาไปสิ่งแวดล้อมเปรยียบเทียบนิดๆนะข้าวนะข้าครัวพังตอแล้วไม่ไหวแล้วพระอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วยังไม่ได้เลยนี่ต้องรีบเก็บนี่เขาเล่าไปฟังนี่เขาว่าเรื่องเป็นเรื่องจริงก็มาเล่าไปฟังนี่ขำนี่ยแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้สักทีคงจะสร้างบุญไว้ดีขึ้นแกเลยนะถ้าได้จะทํางี้ก็เนี่ย ก็คือว่าส่วนอนุคณิตทานก็คือว่าบุิจากทานโดยการสละอย่างแท้จริงอันนี้แปลว่าไม่ยึดติดอันนี้สำคัญทุกวันเนี่ยพอให้ทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกมันจะนา่าหงิกๆ ง, งิงองกันเยอะเนี่ยนะถ้าของตงนเองไม่ได้รับเลือถูกปฏิเสธไปแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องระวังผลจะเป็นยังไงถ้าแบบยึดติดแล้วหวงของนานานนเนี่ยนะในวัตถุทานนั้นนี่ยก็คือได้ฐานะ อายุวันาสุขาภละนั่นแหละเป็นผู้มั่งคัง่งพังพร้อม้วยการมคุณมีจิตน้อมไปในการที่จะสวยการมคุณติดแน่นอยู่ในการมคุณเนาะเพราะยึดติดน่ะนะแต่ถ้าหากมีอย่างนี้แล้วจักแปลว่าท่านไม่ยึดติดถ้าไม่ยึดติดเนี่ยแปลว่าท่านจะไม่ท่านจะอยู่อย่างผาสุกไม่ใช่เป็นแค่คนมานั่งเฝ้าซั์บางคนเนี่ยไม่กล้าสละเลยนะ นะไม่กล้าสละกลัวหมดอยู่นั่นแหละจะใช้ก็ใช้ทีละนิดละหน่อยคือคำนวณอยู่นั่นแหละกลัวจะหมดกลัวจะหมดแม้ถ้า ถ, ถามอมาวว่าคนกล้าให้ทานเนี่ยถามว่าคนกล้าให้ทานเนี่ยทานนี้ให้ผลในปัจจุบันภพภได้ไหมไ ด, ได้ไม่ได้ แล้วทำไมคนไม่กล้าให้กันอน่ยเพราะทั้งๆที่ททเห็นผลในปัจจุบันนะพบนี่ยอาทำไมไม่กล้าฮะไม่เ<ะ>พราะเพราะไม่เข้าใจอย่างที่พระเจ้าเข้าใจฉะนั้นถ้าเข้าใจเนี่ยเขาจะกล้าแล้วเขาให้เป็นไงเขาจะให้เป็นงั้นปริมาณนี้เอาไปคิดนะฝากให้คิดตรงเนี้ว่าจริงๆการให้ทานนั้นะเป็นทั้งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมด้วยให้ผลในปัจจุบันได้ด้วย แต่ในรายละเอียดนั้นยังไม่บอกจะบอกจริงๆแล้วให้เรายัางไงแล้วมันได้ผลเนี่ยคือคือหนึ่งในนั้นเนี่ยนีมาเนี่ยกับกลุ่มพระนี่นียทดลองกันมาหมดแล้วใช้อาหารแล้บินทบาทเนี่ยทดลองกันเป็นปีๆสองปีสาปีรองทดลองดูนะลองทดลองเลยไม่ใช่ทดลองทําจริงๆนะ ทำแบบกรณีที่หามาด้วยลําแข่งด้วยเลี้ยวแรงนะนะด้วยปรีน้องด้วยยางอําเหงื้อต่างน้ําบินธบาดแล้วตรึกเป็นอะไรเป็นใข้ควรเป็นเนี่ยแล้วน้อมเนี่ยเออเพราะผลจะต้องได้อายุวันน้สุขาพระราใช่ไหมปฏิพานใช่ไหมแล้วก็ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมก็คือได้สีเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์แต่เราจะไม่ติดมันเนี่ยแต่ลองดูใช่ไหมพระบรมศาสตสาตรัดคาไหนต้องคานั้นอยู่แล้วใช่ไหม แล้ชัดเจนนะเป็นทั้งทิฏฐาธรรมเวนิยกรรมอันนี้ฝากให้คิดว่าจริงๆทานนั้นมันให้ผลสามการทั้งในในภพปัจจุบันและในภพถัดไปแล้วก็ตั้งแต่ภพที่สามเป็นต้นไปด้วยฉะนั้นผลกุศลกรรมทั้งทุกชนิดเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทานศีลภาวนาจะต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ทีนี้ที่ในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนยังลังเลอยู่นั่นเพราะว่าประกอบกรรมที่เป็นทานเจตนากรรมนั้ น, น, นยังไม่เป็น แต่ถ้าเป็นจริงๆอ่ะจะรู้จักให้แล้วก็จะให้อย่างไรให้แล้ววางใจตั้งท่าทีอย่างไงแล้วอะไรเราคิดยังไงกับการให้ด้วยในรายละเอียดนั้นนะถ้าถ้าต้องการทราบรายละเอียดนั้นอ่ะต้องคุยไม่บันทึก <c oughs> ใช่ไหมเพราะบันทึกแล้วมันจะต้องมันต้องใช้รายละเอียดใช่ไหมต้องใช้เวลาค่อยๆบอกรายละเอียดไปนิดๆนๆถ้าบันทึกมันต้องจํากัดเวลาใช่ไหมมันก็เก็บมุมรายละเอียดไม่ได้เดี๋ยวพูดบางอย่างมันจะพลาดไปอะไรเนื้อเนื้อเนี่ยต้อ ไม่ท้ามันบันทึกนี่มันก็จะต้องเป็นกิจจาเนยเป็นกิจจ์ลักษณะไม่ใช่หลักฐานไม่กลัวเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าบางท่านอาจจะมีการโต้แย้งบางมุมแล้วก็ต้องอธิบายบางมุมไปเรื่อยๆเข้าใจไหมในรายละเอียดเนี่ยชี้เหตุผลชี้อะไรกันไปเรื่อยๆอมันต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาเยอะในเรื่องของทานเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะจนเชื่อจริงๆว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะจนเชื่อจริงๆว่าอ๋อให้ทานเป็นอย่างนี้ นะจนชัดเจนตรงนั้นเนะี่ยแล้วก็รู้จักจะวางใจแล้วก็ให้แล้วก็ดําเนินการฝึกฝึกจิตด้วยทานนิโคสันจริงๆเลยแล้วก็ทําทุกวันเดียวมะทำเป็นกิจจลักษณะด้วยเงี้ยนะวันไหนไม่ทําไม่ยอมกินอาหารเลยเงี้ยนะทอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยอันนี้แปลว่าเขาฝึกแล้วต้องการจะใช้คือจะทําโรงงานฝึกจิตแล้วว่างั้นเถอะทำทุกวันแล้วก็สร้างโรงงานใหม่ทุกวันในการฝึก ไอโรงงานเก่าก็ไม่ทิ้งเนี่ยนะโรงงานเก่าก็ไม่ทิ้งในการปลูกฉะนั้นเม็ดบุญเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาถึงเทธานาเจรนาเป้าหมายก็คือว่าเราจะทำทำที่ตั้งเห็นการผลิตกุศลนั้นนะได้ยาวนานขนาดไหนได้มากขนาดไหนใช่ไหมเป้าหมายคืออย่างนั้นแล้วก็ต้องถูกด้วยใช่ไหมถ้าถ้ายิ่งประกอบด้วยปัญญาด้วยเป็นสมณัสด้วยเป็นอสังขาริกด้วยก็ยิ่งชัดแล้วก็ ฉันทีิที่บาทวรุรยยึดที่บาทจิตติดทีบาทแล้วก็วิมังสิตที่บาทเนี่ยก็เข้าหนุนกระตุ้นได้แรงด้วยในรายละเอียดเดี๋ยวก็ค่อยเก็บไปค่อยๆเก็บไปเนี่ยนะตรงนี้มันถึงบอกต้องใช้เวลาในการที่คุยเรื่องทานเนี่ยต้องค่อยๆเจาะมุมไปเจาะมุมไปจนรู้สึกโปร่งใจเชื่อจริงๆเนี่ยเพราะปกติเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมียึดติดเนี่ยยึดติดในวัตถุในสิ่งของอยู่แล้วฉะนั้นการให้ทานเนี่ย หลายหลายคนเนี่ยเราก็มองเห็นว่าคนที่ให้ทานค่อนข้างอย่างต่อเนื่องและให้อย่างถูกต้องเนี่ยกุศลนั้นน่ะให้ผลเในเป็นปัจจุบันนภพด้วยในเป็นปัจจุบันนภพด้วยแต่ต้องต้องเข้าใจนะผลของทานในกุศลน่ะก็คือมแมลงวันมแมลงเหลือบนะที่มันบินตามเหมือนกับในพานที่ไปฆ่าเนื้อเพื่อเอาเนื้อไปขายที่ตลาด เ, เป้าหมายของในพานไม่ใช่ต้องการมาแมลงวันและเหลือบแต่เป้าหมายในการซับ ฉะนั้นเป้าหมายของพุทธบริษัทนั้นไม่ให้ต้องการผลที่ตามมาแบบนี้ลุงลุลังๆที่เป็นสีเสียงกิน่นรสสัมผัสและทำอารมณ์เขาไม่ได้ต้องการตรงนี้นะไม่ได้ต้องการต้องการหลุดพ้นต้องการหลุดพ้นฉะนั้นถ้าตั้งจิตไว้ไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวที่ผลกลับมาก็กลายเป็นปู่โสมเฝ้าสีเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ใช่ไหมเพราะลูกก็คือรูปเสียงกินรสสัมผัสทำอารมณ์สามีก็คือรูปเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์ ซับมหาสารขนาดไหนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ก็คือสภาวะธรรมก็คือรูป28่นั่นแหละมหาพูทธรูปและอุปาทายรูปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นั้นเราจะไปสมมุติเรียกอะไรกันก็ว่ากันไปถ้าสมมุติสองส่วนก็เป็นว่าเป็นทรัพย์ที่มีวิญ ญ, ญาณคลองและไม่มีวิญ ญ, ญาณคลองก็แยกอย่างนี้แหละอันนั้นคือผลของทา น, นากุศลทั้งที่ให้ผลในปัจจุบันเพบแล้วก็ในพบถัดไปแล้วก็พบที่สามเป็นต้นไปใช่ไหม ผลของบุญจะเป็นแบบนี้นะจะต้องเป็นอย่างนี้จริงๆทีนี้ถ้าหากว่าบางมุมบางท่านอาจจะมีมุมติดอับติดขับขัดใดๆต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ละคนนั้นก็มีจุดอับในการที่จะติดขัดฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ให้เข้าใจตรงนี้ส่วนอนุอนอน ป, ปหจธาณนนะทานก็คือดูก่อนภิสูทั้งหลายผู้โดจากทานโดยไม่มีการกระทบ ตนและกระทบผู้อื่นตรงนี้สำคัญมากต้องระวังนะเรื่องการกระทบเนี่ยเพราะใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะโดยมากก็คือลิษยสและความตนีมีกันทุกท่านเลยที่ไม่ใช่พระโสดาบันเพราะโสดาปฏิมาศท่านประหารตัวนี้ได้ฉะนั้นถ้าเราอันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นจุดแก่อับแก่การขัดแย้งเราต้องวางใจให้เป็นสาหรับการให้ทานตัวนี้ให้ดี ไม่มีการกระทบกระเทียบตนเองและผู้อื่นผลของทางชนิดนี้ไปเกิดหนะ้าที่ใดก็เป็นผู้มั่งคั่งอยู่แล้วก็คือประกอบไปด้วยนั่นแหละ5ประการอายุวันน่สุขาพละนั่นเองแล้วก็บกำแล้วกัปฏิพานคือปัญญาด้วยทรัพย์สินเงินทองก็ปลอดภัยนะตรงเนี้ยถ้าไม่กระทบตนและผู้อื่นทรัพย์จะปลอดภัยได้อุทกภยัยราชาภายัยโจรภยัยลูกหลานญาติมิตรที่ไม่ดีทั้งหลายก็จะปลอดภยัย ถ้าหากไม่เป็นแบบนี้ก็จะตรงกันข้ามก็จะไม่ปลอดภยัยมีทรัพย์ก็เอาไปไว้ที่ไหนก็หายหมดเนี ย, น, ยนะข้านะข้าก็หายหรือบางทีก็เก็บไว้อย่างดีได้ทายาตไม่ดีเรียบร้อยไปอีกเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันของหายได้มันหมดได้ใช่ไหบุญหมดมันก็หมดของเนี้ยเนี่ยเออแปลกดีนะบางทีเนี่ย คนมีพ่อแม่มีบุญนะแม่มีบุญพ่อมีบุญลูกไม่ค่อยมีบุญนะสมมตินะถ้าพ่อแม่ตายทรัพ์ก็ไปด้วยนะอยตอนนี้บุญของเขาเนี่ยนะอันนี้บางคนโอ้เนี่ ย, ยพ่อแม่เราหาไว้เยอะเราไม่ต้องไปดิ้นรนขวัขวายใดๆแต่อย่าให้ท่านตายนะพอตายตมขึ้นมาแตนะ่ยุ่งเลยยุ่งเลยนี่ก็ต้องสังเกตดูให้ดีฉะนั้นของแบบนี้มันมากับบุญแต่ละบุคคล ฉันถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้รู้จักว่าเออทานในากุศลเราจะเดินยังไงเป้าหมายชีวิตจะวางยังไงจะได้ชัดใช่ไหมบางทีเราคิดเก็บเก็บเก็บให้ลูกเนี่ยนะเข้าไปแต่เรียบร้อยบางทีพอลมหายใจเราทําท่าจะบ่นดันทราบข่า ว, าวก่อนตายล้วทำไปออย่างเงี้ยนะนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ในในในคำสอนตรงนี้ก็คือวัตถุทานอรูปทานแล้วก็อภัยทานตรงนี้ ส่วนคําว่าวัตถุสิ่งของชีวาทานเนี่ยอันนี้แปลในยะของที่ว่าข้าวน้ําเป็นต้นนั่นเองส่วนตังสัมยุตโตอโรโผปีทานางังนามะเนี่ยอันนี้มาในอัจฉริยในสุตตสังคหะอัจฉริยแล้วก็ในมุนดีกาก็บอกว่าเอาอโรภาเจสิกที่ประกอบกับเกตนาตินะที่เป็นเหตุแห่งการให้ทานอันนี้เอาอโรภะตัวนี้เป็นตัวขับเน้นขับเน้นที่บอกอโรภาทาน เป้าหมายก็คือว่าที่สุดจริงๆนั้นเน่เมื่อทานนากุศลเนี่ยแข็งแรงอโลพาจะเด่นมากบุคคลคนนั้นฉะนั้นคำว่าอโลจะเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่รับผิดชอบซั์บางคนคิดว่าเอ๊ะถ้าอโลพาเนี่ยเกิดขึ้นมาจะมีกำลังแล้วเนี่ยเอ๊ซั์ของเราก็ยุ่งเลยทีตอนนี้ใช่ไหมเห็นอะไรก็เหมือนกับไอ้น้ำที่มันกลิ้งอยู่บนใบบัวเนี่ยมันก็ไม่ติดตเงี้ยเอ๊ไม่ติดแล้ว แล้วลูกหลานเราจะทำยังไงล่ะลำบากไหมลูกหลานจะลำบากไหมเพราะว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เอาทรัพย์ทิ้งหมดเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมเ<ม><ม>พราะว่าถ้าเราดูในในในชั้นของคำสอนเนี่ยอโลพานั้นไม่ใช่ว่าเป็นจิตที่ไม่เป็นแจสิกที่ไม่รับผิดชอบนะไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนี่ย เพียงแต่ว่าสภาพที่จิตไม่ต้องการต่ออารมณ์นะไม่ต้องการก็คือจิตที่ไม่เกาะติดเหมือนน้ําที่กลิ้งอยู่บนใบบัวเขาไม่เกาะติดหลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็ไม่ยึดติดแม้แต่วัตถุและทรัพย์ของเหล่าเขาไม่ได้ยึดติดตรงนั้นแต่เขาใช้ปัญญาบริหารไหมใช้ปัญญาในการจัดการและดูแลเนี่ยคนที่อโลภาจิตเนี่ยอโลภาเจตสิกแข็งแรงเนี่ยนะแปลว่ากุศลเนี่ยที่มีความไม่โลภ แข็งแรงด้วยมีความไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาแข็งแรงที่ประกอบด้วยเหตุสามเนี่ยนะไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะแข็งแรงเนี่ยแปลว่าเขาเขาดูแลทรัพย์ไม่ไม่เหมือนเป็นไม่หนึ่งไม่เครียดในทรัพย์อันนี้นก็คือความไม่โกรธไม่โลภในทรัพยนะ์นั่นคือความไม่โลภแล้วมีปัญญาในการที่จะจับใจใช้สอยอทรัพย์อธิ่านมาเราเรามี ขัดเคืองการมีซับไหมซับหมดไปแล้วรัพย์มาเนี่ยเคยขัดเครืองบ่อยๆไหมเกี่ยวกับเรื่องทซัทรับก็คือทั้งภายในและภายนอกใช่ไหมทั้งรูปสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทําอารมณ์ก็คือตัวเราเนี่ยเราเคยเครียดกับตัวเราเองไหม